ของพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติปฏิบัติคือเจ็ดหลักทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางปฏิบัติ ทำไมจึงให้ยึดหลักรมคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อธรรมของพระ อ, องค์ท่านเป็นสว่าขาตธรรมเป็นนิยานิกธรรมสว่าขาตธรรมพระ อ, องค์ท่านตรัสไว้ดีแล้วไม่บกพร่อง ไม่ผิดเพี้ยนไปที่ไหนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปผลของบุญเข้าสู่ความเป็นสมบัติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ จนถึงนิพพานสมบัติสมบัติเหล่านี้ <c oughs> พวกเราเกิดมาในขนาดนี้พพนี้ชาตินี้ <c oughs> ก็ได้ชื่อว่า อยู่ในความสมบูรณ์แบบอยู่ในฐานะความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติเรียกว่าเป็นสมบัติที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว มีหนำซ้ำที่พวกเรายังมีวาตนาบาละเมเข้าอยู่ในท่ามกลางของศีลธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็ได้ชื่อว่าวาตนาบาละเมของพวกเรามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในฐานะ ที่จะยังไหวซึ่งความเป็นสมบัตินอกจากยังไหวซึ่งความเป็นสมบัติในมนุษย์สมบัตินี้แล้วควรจะเพิ่มปริมาณความเป็นสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่ว่านั้นอย่างนี้จึงจะถูก ข้อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราสนใจเอาใจใส่ศึกษาตามหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธเราจะเห็นความสำคัญ เห็นความสำคัญในศีลนในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านอกจากเห็นความสำคัญแล้วก็เพิ่มให้เห็นความเป็นอัศจรรย์เป็นสิ่งเลิศสิ่งประเสรศิฐโอกาสการเวลาที่คำสอนของพระพุทธเจ้า จะมาปรากฏขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่ได้ยากนักยากหนาไม่ใช่เป็นของได้มาง่ายๆถ้าเผื่อพวกเราได้ศึกษาตามประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วกลัวจะได้มาตรัสรู้เป็นศาสตรได้เอกสอนโลก พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั้นบำเพ็ญบาลมีมาเป็นอสงไข ย, ย่างองค์ปัจจุบันนี้ก็สี่อสงไขสี่อสงไขแสนกลับที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบาลมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า เกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างบาลมีอยู่นั้นบำเพ็ญบาลมีในทานศีลภาวนาให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ ในพระไทยของพระองค์ท่านจนถึงวาระสุดท้ายชาติสุดท้ายได้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาอาศัยอานิสงบาลมีที่พระองค์ท่านบำเพ็ญอบรมมาปฏิบัติมาจนได้ตรัตตูโก เป็นศาสตราเอกของโลกนับวันเวลามากพอสงควรที่บรรเป็นบาลมีมาเพื่อการนี้เป็นอสงไขยอสงไขยทีเดียวดันั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายแล้วในขณะเดียวกันการเกิดของความเป็นมนุษย์นี่ กลัวจะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบที่ <c oughs> มีคติความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นที่มีความสมบูรณ์เหมือนอย่างพวกเราท่านๆก็หาได้ยากอีก ตัวอย่างคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มากมายเหลือหลายขนาดไหนที่ไม่ได้อยู่ในท่ามกลางของกระแสสินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ไม่ได้มีฐานะที่จะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาศึกษาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติ ฉะนั้นเมื่อมองในแง่ความเป็นจริงลักษณะนี้แล้วเราจะเห็นตามความเป็นจริงว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกชาติชั้นวันนาที่ได้มีโอกาสมาเจอมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีส่วนน้อยนักหนาถึงจะมีส่วนน้อยก็ให้พวกเรา มีความซึ้งใจเข้าใจโอกาสการเวลาในขณะนี้เป็นโอกาสของพวกเราเป็นเวลาของพวกเราว่าจนาบารละมีของพวกเราแล้วพอคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปทำไมจึงมีการกระทำอยู่ในลักษณะนี้ ทำบุญฝ่ายเดียวไม่ได้ดรอกหรือจะทำบาปกรรมกานทำใหม่พอผลของความชั่วนา้นะใครๆก็ไม่ต้องการหนี้สัญชาติญาณแต่แล้วมันสลับสลับเปลี่ยนกันตามกระแสของสิ่งที่มีอยู่ภายในดวงจิตดวงใจนั้น ในฐานะความเป็นสามัญช น, นเป็นปุตุชนย่อมมีความโลภความโกรธความหลงราคะตันหาตันหาทั้งหลายที่มีอยู่กิเลสทั้งหลายที่มีอยู่อันนี้เองเป็นเหตุที่จะให้เกิดมิจฉาทิฐิตามแรงกิเลสตันหาทำบาปทำกรรม ทำบาปทำกรรมทำความชั่วทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้ว่าบาปกรรมที่จะให้ผลนำมาซึ่งความเป็นทุกข์อันนี้เป็นของสำคัญฉะนั้นโอกาสที่จะได้มาบําเพ็ญบุญเหมือนอย่างพวกเร า, เราท่านๆ น, นี่จึงเป็นโอกาสที่หาได้น้อย ถึงเป็นโอกาสการเวลาที่จะหาได้น้อยก็โอกาสนี้เวลานี้เป็นโอกาสของพวกเราเป็นเวลาของพวกเราพวกเราควรจะเห็นความสำคัญเห็นความเลิดความประเสริฐในโอกาสการเวลาของพวกเราที่มีอยู่ในขณะนี้ ให้มีความเชื่อมั่นเถิดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานนิกธรรมสามารถนํานําผู้ปฏิพฤติปฏิบัติรักษาผู้ประเพฤติธปฏิบัติไม่ให้ตกปไปในที่ชั่วนอกจากนั้นนําผู้ปฏิเพฤ่อปฏิบัติเข้าสู่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและเบื้องหนา้า ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นของสำคัญถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาฝึกมาปฏิบัติดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกท่านมันจะเกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อดบนอนทการ ด้วยอำ น, นาจของความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่จะทำให้จิตใจเศร้าหมองคุนมัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นจิตใจที่ตกจากฐานะความเป็นสมบัติเป็นจิตใจที่มีความเป็นวิบัติมืดความมืดมนอนทการ ที่มีในดวงจิตดวงใจนี่มองไม่รู้มองไม่เห็นว่าอนาคตข้างหน้าจะไปยังไงจะอยู่ยังไงนึกไม่ได้นึกไม่เห็นทั้งทั้งที่อนาคตข้างหน้าที่มีอยู่ในขณะ น, นี้ขวงหน้าพวกเราอยู่พวกเรากําลังเดินทางเข้าสู่อนาคตข้างหน้า แต่แล้วอนาคตที่เป็นชีวิตของพวกเราที่จะเดินทางไปตามเส้นทางข้างหน้านี้พวกเรามืดบตนอนทการไม่ทราบว่าจะไปทางไหนถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ศึกษาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้ปฏิบัติเพราะเส้นทางแห่งอนาคตข้างหน้าของดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมพวกเราเขาด้วยพบาภูมิในสิ่งที่น่ากลัวน่าขยะแขยงสิ่งที่ททรกทรมานพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วต ร, ตรัสตรู้รู้แล้วเห็นแล้วอันนั้นคือพบภูมิแห่งอบายภยูมิเพรภูมิแห่งสัตว์นรกพระเนนที่บวช ถ้าทำไม่ถูกไม่ต้องปฏิบัติไม่อยู่ในทํานองของธรรมในศีลในธรรมก็มีโอกาสที่จะตกนรกหมกไม่ไปได้เป็นเปดตเป็นผีไปได้สาตรนกเอเวจีเหล่านี้เป็นที่รองรับดวงจิตดวงใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีบุญวัตนาบาและ อสุรกายสัตว์เดราจฉานเหล่านี้ก็เหมือนกันเป็นที่รองรับเป็นที่อยู่เป็นที่ไปของดวงจิตดวงใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีบุญไม่มีกุศลฉะนั้นเส้นทางเหล่านี้มันยังอยู่ข้างหน้าของเราอยู่เราจะเลือกอยังไงถึงจะเข้าใจว่าเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่เป็นไปเพื่อ อบายยาภูมิพบโูมแห่งหาความสุขความเจริญหาความดีหาความสุขความเจริ ญ, มมมรญไม่ได้ทํายังไงพวกเราจะรู้ที่ไหนเส้นทางเข้าสู่ความสมบัติสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติยังอยู่ข้างหน้าของพวกเราอยู่ แล้วพวกเราจะเลือกเส้นทางเหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดไม่มีวิธีทางเลือกนอกจากที่พวกเรามาศึกษาเส้นทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นฉะนั้นผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้ประพฤติปฏิบัติกระแสของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จึงยังเข้าถึงจิตถึงใจ ทำให้จิตใจของเราเป็นจิตใจสว่างทําให้หูตาของเราเป็นหูตาที่สว่างหูตาสว่างจิตใจสว่างความสว่างที่อยู่ในความเป็นสมบัติของเรานี่มันเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆเป็นของสำคัญจริงๆที่พวกเราจะนำไปใช้ ในสถานที่มืดมนอนทการแม่พบนี่ชาตินี่การเวลามืดสถานที่มืดที่พวกเราเดินทางหรือจะดูอะไรให้เห็นทั้งดี ท, ทั้งชั่วทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ท่ามกลางของความมืดพวกเราต้องอาศัยแสงสว่างมันเป็นกฎธรรมชาติ แต่นั่นหนึ่งแสงสว่างที่พวกเราจะจะเดินทางไปพบหน้าชาติหน้ายิ่ง <c oughs> เป็นสิ่งจําเป็นมากทีเดียวจะขาดเสียไม่ได้แสงสว่างที่พวกเราจะเดินทางไปข้างหน้า แสงสว่างส่วนนี้พวกเราที่จะสร้างสมบัติขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยหูตาสว่างจิตใจสว่างรู้จักเตรียมเสบียงเดินทางไปข้างหน้าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไงที่เป็นะเบียงเดินทางไปข้างหน้าลักษณะที่จะเป็นะเบียงติดตนตามตัวติด ดวงจิตดวงใจเหมือนเงาตามตัวนี่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงถ้าเผื่อพวกเรามไม่ได้มีโอกาสมาศึกษาได้ได้ยินได้ฟังเปิดหูเปิดตาดูว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมีอะไรเป็นนิม็ดเครื่องหมายรู้ได้ทางหูทางตารู้ได้ทางจิตทางใจ นมิตเครื่องหมายผลความดีบุญกุศลกุศลก็คืออาศัยจิตใจฉลาดรู้จักเลือกเฟ้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้พบนี้ชาตินี้พวกเราเกิดขึ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลสามารถที่ใช้หูฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้ตาดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มันเป็นผลของบุญของกุศล จากตัวบุคคลหรือาจากวัตถุอะไรก็ตามแต่ที่มีความเป็นสมบัติที่มีความเปิดเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยกันล้วนแล้วแต่เป็น ผ, ผลแห่งบุญแห่งกุศลใช้หูใช้ตาเ่าพิสูจน์เรียนรู้เมื่อมองเข้ามาจุดนี้แล้วพูดถึงว่าสมบัติภายนอกเกิดขึ้นมาพบนี่ชาตินี้พวกเราดูรู้อยู่ไม่ใช่หลือว่ามีจิต คนเกิดขึ้นมาผู้ชายผู้หญิงมีจีก่อนฐานะเสมอเหมือนกันที่ไหนไม่เสมอเหมือนกันมีการเลื่อนล้ำตามสูงในความเป็นสมบัติภายในในความเป็นสมบัติภายนอกลักษณะเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่ากุศลคุณงามความดีบุญกุศลที่พวกเราได้บาเพ็ญมาแล้วแต่อดีตชาติ แล้วต่อไปข้างหน้าที่นี่อดีตที่ผ่านมาเห็นคุณค่าจากการบำเพ็ญพวกเราได้มาอาศัยแล้วก็ควรที่งเกิดสสดสังเวชเมตตาในสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาที่บุญไม่สมประกอบเกิดขึ้นมาความเป็นสมบัติไม่เลไม่สมประกอบเกิดขึ้นมาเป็นคนทุกข์ ยากลํา บ, บากาการกมทนทุกข์ละมานอวัยวะหู ต, ตาแขนขาอวัยวะทุกสัสดส่วนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เสียแก่งเสียขาเสียหูเสียตาเกิดขึ้นมาอยู่ในฐานะความเป็นทุกข์ยากลา บ, บากกากรมมีสมเถ็จบุคคลเหล่านั้นเขาต้องการเป็นบุคคลอยู่ในฐานะอย่างนั้นหรือพ่อแม่ของคนเหล่านั้นต้องการโลกอยู่ในฐานะเป็นอย่างนั้นหรือ ไม่มีใครต้องการไม่มีการปรารถนาหน้าชิดนาะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นนะถ้าเผื่อพวกเราได้ตามเจตนานได้ตามความประสงค์ที่เกิดขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาก็ได้ตามความนึกหรือพ่อแม่แต่งให้ได้ พ่อแม่คนไหนจะปล่อยให้คนตกทุกข์ได้ยากลูกของตนตกทุกข์ได้ยากไม่มีถ้าพ่อแม่แต่งให้ได้ก็คงจะแตกให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ลักษณะนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราถ้าเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าศีลธรรมนี่จะเปิดหูตาสว่างรู้จากเลือกเฟน เจิใจสว่างรู้จักเลือกแฟนมีความออรู้ความฉลาดกูตัวรกูตลรามีความฉลาดเลือกแฟนว่าเหตุปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันมีมาอย่างไรผลแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุมาจากไหนฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มา ศึกษาแล้ววิเคราะห์ตามเหตุตามความปีจิงเปิดหูเปิดตาเปิดดวงจิตดวงใจดวงปัญญาของพวกเราศึกษารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายิมพระพุทธเจ้าถึงสอนย้ำย้ำย้ำ ย, ยเกิดขึ้นมาถึงจะอยู่ในถ้ำกลางของความเป็นบุญก็ตาบแต่แต่สภาวะสภาวะธรรมสิ่งสภาพความเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์คนเราหญิงชายนี่ มันอยู่ในฐานะความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกเดือนทุกปีอายุสังขารที่อยู่ในฐานะความไม่เที่ยงนะ่ะเปลี่ยนมาอยู่ในวัยปัจจุบันนี้พวกเราทุกท่านทุกคนเปลี่ยนมากี่ปีมาแล้วเนี่ยมันต่างกันไหมที่พวกเราอายุวัยอยู่ในกระดาษสิบกว่าปียี่สิบกว่าปี ในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงไปแค่เพียงถึงจุดที่เท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปถึงที่สุดถึงที่สุดการเปลี่ยนแปลงกันลรารู้กันอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อถึงตรงนั้นแล้วสมบัติที่พวกเราสะแสะแวงหา ด้วยน้ำพักน้ำแรงจนอยู่ในฐานะที่พวกเรามีความสบายตามฐานะเนื้นชานบ้านจ้องเข้าของเองินทางลูกเต่าเลนลานสามีภรรยาถึงจุดสเบหิเมเปเยหิมนาเปหินานาพระโบวินาพระโบจุดนั้นแล้วถ้าเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาตรงนั้นแนะ่ะ ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้เตรียมเอาไว้ไม่ได้ใช้ความฉลาดว่าเสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นเสบียงเดินทางไปข้างหน้าต้องอาศัยปัจจัยที่พวกเราอาศัยอยู่ในพบนิชาินี้ซึ่งเป็นวัตถุเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเป็นวัตถุใช้ปัจจัยวัตถุอันนี้เปลี่ยนมาให้เข้าสู่ความเป็นนามธรรม ในการเสียทละาจาาค่าเสียทละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียเกียราจา์ด้วยกุศลและเจตนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทมบุญทาทานเป็นการปลูกฝังเพิ่มพูนความดีเพราะทรยบสมบัติส่วนนั้นที่จะเป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเปลี่ยนแปลงจากตัววัตถุให้เข้าสู่นามธรรมคือบุญ คือการเสียสละทำบุญทำทานเหมือนพวกพวกเราทั้งหลายทำทมกันอยู่ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุเข้าสู่นามธรรมเพราะร่างกายของพวกเราตัวตนคนเราหญิงชายนี่มันมีอยู่สองระบบระบบส่วนหนึ่งที่เรียกว่าวัตถุคือมองเห็นรูปร่าง แข้งขาหูตาอวัยวะทุกศาสส่วนที่หลักธรรมตัวธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นวัตถุวัตถุส่วนนี้ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่เป็นวัตถุหล่อเลี้ยงปัดเปลี่ยนกันอยู่แต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งภายในร่างกายนี้อันนี้คือจิตใจจิตใจท่านเรียกว่านามธรรมนามะนามังไม่มีรูปไม่มีร่าง ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นท่ารู้อันนี้วณนามธรรมนามธรรมคือดวงจิตดวงใจดวงนี้ <c oughs> สามารถที่จะเป็นเครื่องรองรับเรื่องอะไรต่างๆที่ผลการกระทาของพวกเราในยังมีชีวิตอยู่ทำดีทำให้ ความดีนั่นเข้าสู่ใจใจรองรับความดีเอาไว้ทำให้จิตใจมีความดีมีความสุขความเจริญในขณะเดียวกันถ้าผัวถ้าเผื่อพวกเราพังพาดเพล้ยไผ่ไปทำความชั่วความไม่ดีทาไปแล้วทำจิตใจผลการกระทำนั้นจิตใจเป็นเครื่องรองรับให้จิตใจมีความทุกข์ทนทุกข์ทรมาน น้อยมากตามกำลังที่ตนของตนได้กระทาฉะนั้นการกระทำนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้การกระทำม่นจะว่าทาวันหนึ่งวันเดียวมันทำมาจีวันจีเดือนจีปีถ้าเผื่อไมาได้ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจา้าเวทในสิ่งที่ควรเวน ท, ทำในสิ่งที่ควรทำส่วนมากแล้วมันทำได้ในสิ่งที่ ให้เกิดผลทางลบเป็นปัญหาทางจิตทางใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วงอันนี้น่าสงสารฉะนั้นชีวิตจิตใจของบุคคลเราจรึงมีแต่เรื่องจึงมีแต่ปัญหาหนักเข้าหนักเข้าจนเห็นคุณค่าของจิตใจไม่มีศักิ์ีความดีทางจิตใจแทบจะมองไม่เห็นลักษณะอย่างนี้มีมากต่อมา ฉะนั้นจิตใจที่เป็นนามธรรมเราควรบำรุงด้วยบุญด้วยกุศลด้วยศีลด้วยธรรมฉะนั้นการเปลี่ยนวัตถุที่พวกเรามีการจ่าค่าเสียตลาดเข้าสู่นามธรรมจึงเป็นการบำรุงจิตใจของเราด้วยบุญ ลักษณะนี้ที่จะมีโอกาสได้ศึกษาได้ฝึกได้ปฏิบัติได้สร้างสรรค์ความดีลักษณะทางศีลภาวนานี้ยก็เพราะมีโอกาสได้มาศึกษาได้มาได้ยินได้ฟังได้ฝึกปฏิบัติจากนี้ฉะนั้นการเวลาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเห็นความสําคัญเป็นความสําคัญและเป็นการเป็นเวลาอย่างเลิ่อย่างประเสริฐ สำหรับที่จะยังไว้ซึ่งความเป็นสมบัติและยกฐานะที่ความเป็นสมบัติที่ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าพวกเราบำเพ็ญความดีอยู่อย่างนี้ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงว่าจิตใจของพวกเรานั้นสว่างสว่างด้วยกระแสงศีลแสงธรรม ได้เตรียมเสเบียงคือบุญกุศลนี้ให้ดวงจิตดวงใจดวงนี้เมื่อดวงจิตดวงใจดวงนี้มีเสเบียงดวงจิตดวงใจดวงนี้มีแสงสว่างส่องทางอนาคตที่เนี่ยรูว่าเออทางเส้นนี้ไปตกไปทางนรกอเวอจีทางเส้นนี้ไปทางเปรต ทางเส้นนี้ไปทางอสุรกายทางเส้นนี้ไปทางสัตว์เดรัจฉานทางเส้นนี้ไปทางความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์ทางเส้นนี้ทางไปสู่สวรรค์เป็นเทพบุตรเทวดาทางเส้นนี้ทางไปสู่พระอินทพระพรหมทางเส้นนี้เข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วก็จะเลือก พ่อหูตาสว่างจิตใจสว่างเมื่อความสว่างที่เราเลือกเลือกเลือกเลือกเลือกอย่างนี้แล้วก็ต้องอาศัยสมบัติล้ำค่าพวกเรานี่เตรียมสเสบียงสมบัติล้ำค่าคือรูปร่างแง่ขาหูตาอาวัยวะที่พวกเรามีเหลือพอที่จะใช้อยู่นี่แหละถ้ามันหนักเข้าไปกว่า น, นี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันหนะ้าสมบัติภายในรูปสมบัติร่างกายของเราเนี่ย ถ้ามันมากเข้าไปกว่านี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอะไรมากเท่าแจมันมากเข้าไปกว่านี่ยแจบใครได้ป่วยมากเข้าไปกว่านี้ไม่ไหวเหมือนกันนะที่จะมานั่งฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนาทําบุญทําทานโอกาสอย่างนั้นไม่มันไม่ใช่โอกาสที่จะอํานวยให้นะ ฉะนั้นสมบัติล้ำค่าสมบัติภายในโลภร่างกายของเราโลภสมบัติวิจีสมบัติมโ น, โนสมบัตินี่เป็นสมบัติภายในยังพออาศัยได้อยู่เราควรจะตื่นตนตื่นตัวใช้หูสว่างใจสว่างตาสว่างเห็นสมบัติล้ำค่าของพวกเรายังพออาศัยได้อยู่และกระพองถึงดวงจิตดวงใจของเราอีกว่าสเสบียงที่ เตรียมเพื่อเดินทางเข้าสู่ความเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอย่างน้อยๆได้สมบัติทั้งสองอย่างนี้เพียงพอแล้วหรือยังเราจะรู้ได้ยังไงสมบัติล้ำนี้สมบัติล้ำค่าเหล่านี้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเราจะรู้ได้ยังไ ง, ร, ร, ร, ไ ง, ไงรู้ได้มีความหนักแน่นเชื่อมั่นว่า ขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดมันเป็นกรรมสิ่งใดมันชั่วเราละอายเรากลัวกลัวต่อความชั่วละอายต่อความชั่วกลัวต่อบาปละอายต่อสิ่งที่เป็นบาปความชั่วและบาปนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ใจก่อน เพราะสิ่งที่ทำให้ชั่วและบาศมันอยู่ที่ใจฉะนั้นการได้ยินได้ฟังได้เลือกเว้นศึกษาว่าความชั่วที่จะทำให้จิตใจชั่วมันอยู่ที่ใจแล้วมาเรียนรู้ท่เนี่ยเรียนรู้ก็คือดูลักษณะอาการที่มีอยู่ในจิตใจของเราท่านว่าตัณหาความเทะเยอทยานยา สิ่งที่มันอยากทางชั่วเราอะไรมาเป็นเครื่องวัดถึงจะรู้จักว่าดีหรือชั่วเอาสินของเราที่พวกเรามีหน้าที่นั่นแหละหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาสินเป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องป้องกัน เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาความอยากประเภทไหนความอยากขึ้นมาความอยากใครยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความอยากประเภทนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเอาสินของเราหน้าที่ของพวกเรามันเป็นเครื่องวัตรความอยากอันนี้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือมันผิดสิลผิดธรรมผิดตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นสินเป็นธรรม ถ้าเราเอาศิลธรรมที่เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองของพวกเรานี่ไม่ตกไปในที่ชั่วเป็นเครื่องวัดความอยากเป็นเครื่องวัดความโลภเป็นเครื่องวัดความโกรธความหลงแล้วนั้นแหละจะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเออเนี่ยสิ่งที่ป้องกันไม่ตกไปในที่ชั่วก็คืออันนี้มีความเชื่อมั่นหนักนน่นเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวลงไป เกิดความละอายต่อความชั่วขึ้นมาเกิดความกลัวต่อความชั่วขึ้นมาและก็มีความยินดีในลักษณะความเป็นศีลความเป็นศีลเป็นทานเป็นบุญเป็นกุศลวาจนาบารมีความยินดีพอใจลักษณะนี้ทำไมจึงมีความยินดีพอใจพระพุทธเจ้าสอนให้ศรัทธาศรัทธาก็สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้ยินดีกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ศรัทธาว่าศิลที่พระพุทธเจ้าประกาศเป็นเครื่องห้ามความชั่ว น, นั่นนะต้องวิเคราะห์ด้วยเหตุผลต้องเชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครถ้าไม่เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเราเชื่อจิเลศเชื่อจิเลสเชื่อตัณหา นิเรศฝ่ายชั่วตัณหาฝ่ายชั่วถ้าเราเชื่อแล้วสิ่งเหล่านั้นเราจะจ้วงจิตจ้วงใจเราไปมีกําลังดึงจิตดึงใจของเราไปหาฝ่ายต่ําฝ่ายชั่วก็ได้ชื่อว่าใจของเรานี่ตกเข้าสู่แห่งวังวนของอบายมุกอบายภูมิ ตรงนี้ตังหากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจให้มีความสว่างในเหตุในผลให้เกิดความเชื่อบัานวาศีลเท่านั้นเป็นเครื่องป้องกันความชั่วการทําความดีที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดแม่บทกฎหมายเท่านั้นเป็นแนวทางที่เปิดเส้นทางเข้าสู่ความเป็นสมบัติ เราพยายามอยู่ในขอบเขตมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศิลในธรรมอยู่ในระบบระเบียบกฎหมายศิลธรรมนี่เป็นเครื่องรองรับการกระทาของเราเป็นเครื่องรองรับในคำพูดและความคิดของเรานี้แสดงว่าเราดําเนินเดินตามทางเข้าสู่ความเป็นสมบัติไม่หวั่นไหวเลยทเนี้ย หนักแน่นมั่นคงอาศัยความเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่เป็นไปเพื่อความเป็นสมบัติและอายต่อความชั่วแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสมบัติสุขมีศีลมีธรรมมีศีลมีทานมีบาวนาไม่อย่างนั้นแล้ว กำลังฝ่ายตามฝ่ายชั่วกิเลตัญหานี่มันฉุดลากดวงจิตดวงใจดวงนี่นะ่ะโดยมันรู้สึกตัวว่าความชั่วฉุดลากไปยังไงให้เกิดความยินดีในสิ่งที่ไม่ความยินดีเลยกลายเป็นมิจฉาทิฐิ เหมือนอย่างชาวโลกทั้งหลายที่ก็มีความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดียินดีในสิ่งที่ท่านผู้รู้ติเตียนและติเตียนและห้ามก็เห็นรู้ ก, กันอยู่มาใช่หรยอลองมองภาพพสจากตัวเราไปสู่บุคคลอื่นดูเจ้าบางคนมียินดีพอใจกับสิ่งที่มือนเมา จะเป็นเหล้าเป็นยาตุลายาสีนกัญชาอะไรก็ตามแต่เขามีความยินดีความพอใจความยินดีในความเมาพอใจในความเมาเมื่อยินดีในลักษณะนั้นไปดื่มไปกินจิร ย, ยาของคนดื่มคนกินคนเมาบรรดูได้ไหมนอกจากนั้นก็ยินดีในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามลองทั้งดดตรวจสอบดูสิว่า เอาสินห้าแต่และข้อแต่และข้อเป็นเครื่องวัดความยินดีของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้เห็นได้ชัดเลยแทบจะหาสินห้าไม่เหลือสักข้อหนึ่งในความประพฤติของบุคคลเหล่านั้นอะอันนี้เป็นเครื่องวัดความผิดความถูก ที่จะให้เกิดการตื่นตนตื่นตัวเปิดจิตเปิดใจรู้หูตาสว่างรู้เลือกในสิ่งที่ควรเลือกเว้นในสิ่งที่ควรเว้นฉะนั้นพวกเราทุกท่าน <c oughs> ให้ถือโอกาสที่พวกเรายังพอมีโอกาสยังพอมีเวลามาศึกษามาฝึกมาปฏิบัติ สร้างสรรในลักษณะของความเป็นศิลปเป็นธรรมโดยเฉเพาะสมาธิธรรมสมาธิธรรมคือทาดวงจิตดวงใจของพวกเราให้สงบสงบจากกระแสความโลภความโกรธความหลงกระแสจากสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ฝ่ายชั่ว ทำจิตใจของพวกเราให้เข้าสู่ความแจม่มใสความผ่องใสให้มันได้ความแจม่มใสจิตใจความผ่องใสจิตใจนี้จะเป็นจิตใจดีงามความงามของดวงจิตดวงใจดวงนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะเราทำความงามให้ใจเราทำความดีให้ใจใจจะมีความสุข เราสร้างความสุขให้ใจความสุขทางใจที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วใจมีความสุขความสบายคืองดเว้นจากความชั่วให้มีความเชื่อมั่นหนักแน่นว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเราจะไม่ทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี้ได้ชื่อว่า เมื่อเราละเว้นจากความชั่วนั่นทำความดีเราเราได้สร้างความดีให้ใจเมื่อเป็นการสร้างความดีให้ใจในการลดเว้นจากความชั่วทำแต่ความดีในขณะเดียวกันแล้วก็สร้างความสุขให้ใจสร้างความสุขให้ใจสร้างความสบายให้ใจปัจจุบันในขณะนี้ อารมณ์ที่มันเป็นทุกข์อารมณ์ที่เป็นกิเลสตัณหาอารมณ์ความฟุ้งซ่านอารมณ์ความลำคาญจิตใจไม่มีสติหนักแน่นมั่นคงดูในขณะปัจจุบันถ้าอารมณ์โกรธเหยียดฟุ้งซ่านลำคาญจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจไม่แจ่มใสาอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ขุนมัวเศร้าหมองภายในดวงใจก็ได้ชื่อว่า สติของเรายัางอ่อนไม่สามารถที่จะแยกกระแสจิตใจของพวกเราออกจากกระแสะอารมณ์ฝ่ายชั่วฝ่ายต่ำอารมณ์เหล่านั้นจึงมีกําลังเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสเป็นฟุ้งซ่านลําการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงแยกอารมณ์ ประเภทนั้นออกจากใจเอาใจของเราออกจากอารมณ์ประเภทนั้นด้วยกำลังสติเราจะกันตลอมกระแสจิตใจของเราเข้าสู่อภายนโยบายที่ท่านภูรูสอนอย่างที่ท่านสอนให้มีสติกาหนดคำบริกรรมจะพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในดวงใจแล้วกระทาของเราด้วยตั้งสติหนักแน่น ด้วยตะล่มกระแสะจิตเข้าสู่อารมณ์คำบริกรรมพุทธโธ ท, ทำใจให้สดชื่นยิ่ยมเ ย, ย้มแจ่มใสผ่องใสทำจิตใจให้เกิดอารมณ์แห่งความพอใจยินดีความยินดีความพอใจกับการตั้งสติบริกรรมพุทธโธพุทธโธ อันนี้เราแยกกระแสจิตใจของเราออกจากกระแสอารมณ์ฝ่ายชั่วเข้าสู่กระแสอารมณ์ของความเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญโดยเฉพาะสมาธิธรรมนี่เรามาฝึกอย่างนี้เรามาปฏิบัติอย่างนี้เดี๋ยวเนี้เอาสมบัติล้ำค่าของพวกเรามานั่งฟังธรรมเอาสมบัติล้ำค่าของพวกเรามานั่งภาวนา ร่างกายของเราหูตาของพวกเรานี่มาใช้ฟังเทศฟังธรรมฟังข้อปฏิบัตินั่งภาวนาก็ได้ชื่อว่าเราเห็นคุณค่าจากความเป็นสมบัติล้ำค่านี้มาบำเพ็ญมาบำเพ็ญมาสร้างสรรมาส่งเสริมส่วนที่เป็นประโยชน์ให้เกิดสุขทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้า เราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าเรากำลังสร้างสเสบียงสะสมสเสบียงรวบรวมสเสบียงถึงวันหนึ่งขั้งหน้าที่พวกเราทนไม่ไหวแล้วไปทีเนี่ยจุติการเคลื่อนออกจากร่างกายอันนี้สลัดสละจากสิ่งที่มันทนทุกข์ทรมานมันทนไม่ไหวมันก็ไป เมื่อไปเรามีสเสบียงคือบุญคือกุศลที่พวกเราได้รวบรวมเอาไวจาา้จากทานจากศีลจากภาวนานี่เป็นสเสบียงที่มีความสมบูรณ์เป็นสเสบียงที่เป็นสมบัติของจิตใจเหมาะสมกับจิตใจสเสบียงส่วนนี้ทําไว้แล้วใจของเราเป็นตู้เซฟเจ็บสมบัติสเสบียงคือบุญอันนี้เอาไว้ไปที่ไหนไปแล้วทีเนี้บุญกุศลพาจิตใจไปจิต ใจใจมีบุญกุศลพาไปไปที่ไหนก็เข้าสู่ความเป็นสมบัติอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินั่นเมื่อไปเข้าสู่ความเป็นสมบัติจะไม่ห่วงอะไรทีเนี่ยไปเพื่อเข้าหาความสุขความสบายความสุขความเจริญไปกลัวอะไรทีเนี่ยมันก็เต็มใจไปเต็มใจอยนเลื่อนเริงบันเทิงในความเป็นบุญ เลื่อนเริงบันเทิงเข้าสู่ความเป็นสอมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยพื้นฐานของจิตใจเราถืปูพื้นฐานอันนี้ให้มันเกิดความหนักแน่นมั่นคงทางจิตใจของเราไม่งั้นแล้วมืดมนอ น, อนทการนะดวงจิตดวงใจตรงเนี้ยเดินทางไม่ถูกนะเลือกทางไม่ถูกนะเราต้องการจะไปสวรรค์นิพผ่านแล้วไปเจอทางนรกเปรตผีอเวจีทับยังไง จะน่าพากันเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจแต่เดี๋ยวนี้เพิ่มความดีบุญกุศลของพวกเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่จึงได้ชื่อว่าพวกเราอยู่ในจังหวะเห็นความสําคัญในตัวพวกเราเห็นความสําคัญในการเวลาที่พวกเรายังพอมี ดันั้นขอพวกเราทุกท่านได้ยินได้ฟังฝึกปฏิบัติสมบัติในการฝึกจะเป็นสมบัติที่เกิดความสุขกายสบายใจเป็นสมบัติอันล้ําค่าที่ยังฐานะความเป็นสมบัติของพวกเราเจริญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยความดีการฝึกการปฏิบัตินี่ดังนั้นการที่เ <c oughs> ทศนาธรร ม, มาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแจรเวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้